หรือเป็นแผนที่ที่เราจะถือเป็นหลักดำเนินการปฏิบัตินอบัตินี้เราทั้งหลายก็ได้สมาทานเบญจสีนคือสีห้ออันเป็นหลักการที่เราจะละเจรลสด้วยเจตนาคือความตั้งใจ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 บางทีอาจจะมีการขาดตกบกพร่องแต่เราก็ตั้งใจไปภาคพีนพยายามที่จะละเคืือใส่ความภาคพีนพยายามที่จะละบ่อยๆละให้มากๆเป็นการฝึกขัดนิดสัยของเราให้เคยชินต่อการละกิเลสส่วนนี้เมื่อนั ก, นกเข้า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 เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกสำานึกจิดชอบชั่วดีจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงฝังแน่นอยู่ในจิตของเราดังนั้นหลักการละความชั่วประพฤติความดีในขั้นศีลธรรมซึ่งเป็นไปโดยความตั้งใจนั้น ก็หมายถึงละความทั่วตามกฎของศีลห้าประการดังที่ท่านทั้งหลายได้สมถทานมาแล้วนั้นแต่สำหรับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรามาแต่หนุมนานนั้นเราจะต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมในทางจิต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 ในการที่จะตั้งใจมั่นต่อการละความชั่วและประพฤติความดีวิธีการบาเพ็ญสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างแต่จะด้วยประการใดก็ตามสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตของตน โดยอุบายวิธีที่จะเหนียวเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาหรือเป็นอารมณ์พิจารณาเพื่อเป็นอุบายให้เราได้ภะละืออินสีศรัทธาปะละทำให้เราเกิดศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติ วิริยะภละทำให้เราเกิดความภาพเพียนในการปฏิบัติสติภะละความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภะละความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติและปัญญาภะละความรอบรู้ภายในดวงจิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักปฏิบัติจะพึงอบรมให้เกิดให้มีขึ้นดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิโดยหลักความเป็นจริงแล้วเรามุ่งที่จะให้จิตสงบทั้งมั่นเป็นสมาธิมีอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับจนกระทั่งได้บรรลุฌาน คือทุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจะตุธะฌานซึ่งเป็นเพื้นฐานเบื้องต้นทำให้จิตได้สมถะเพราะสมถะกรรมาฐานหรือสมถะจิตนั้นเป็นเพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธินี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น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 แม้เราจะยึดเอาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นคู่ของใจแม้แต่บริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธหรือยุกหนอองหนกก็ตามแต่หรือจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตก็ได้ทั้งนั้นบริกรรมภาวาวก็ดี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 ผู้รู้ซึ่งในนามว่าพุท ธ, ธะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินับจำเดิมแต่นั้นจิตก็จะสามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ตามลำดับขั้นซึ่งทั้งนี้สุดแท้แต่ความภาคเพียนพยายามของท่านผู้ใดดังนั้นการศึกษาธรรมะก็ดีการเรียนธรรมะก็ดี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 หรือเราจะไม่นั่งก็าตามเดินภาวนาพุทธโธก็ได้เยิอนภาวนาพุทธโธก็ได้นอนภาวนาพุทธโธก็ได้เยินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทสำสติกรรมหนดจิตเล็กพุทธโธไว้ในใจเอาพุทธโธเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติ จนสามารถทำจิตให้จดจ้องอยู่กับคำว่าพุทโธแม้ว่าในขั้นต้นนี้จิตของเรายังจะไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตามแบบฉบับที่ท่านกล่าวไว้ก็ตามแต่ปัญหาสำคัญเมื่อจิตของเรามาอยู่กับพุทโธเป็นส่วนมากแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกกับอารมณ์อื่นๆนั้นอย่างไร เข้าใจว่าถ้าจิตมีเครื่องยึดจิตมีเครื่องอยู่จิตของเราคงจะพลากจากอารมณ์ที่วุ่นวายต่างๆให้เข้ามาจดจ้องอยู่กับคำว่าพุทโธเมื่อเวลากระทบอารมณ์สิ่งใดเข้าแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตของเราอาจจะวิ่งเข้าไปหาพุทโธแล้วก็อาจจะ บรรเทาความวุ่นวายที่จะเพึงเกิดขึ้นกับจิตได้บ้างอันนี้เป็นผลที่เราจะพึงได้รับจากคำว่าการภาวนาพุทถูเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิภาวนาให้ได้รับผลจริงจากนั้นอยู่ที่การกระทำจริงและทำให้มากๆเป็นสำคัญ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 เมื่อจิตภาวนาพุโทโธแล้วจิตสงบลงไปพอสว่างขึ้นมาคำว่าพุโทโธนั้นจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปแล้วจิตของผู้ภาวนานั้นน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจเย็ดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้อารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิต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 เมื่อจิตเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินั้นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีลักษณะนิ่งนิ่งแล้วก็มีมีความสว่างเป็นเครื่องหมายสมาธิที่ถูกต้องและสมาธิที่แท้จริงนั้น ย่อมมีความสว่างภายในจิตเป็นเครื่องหมายถ้าสมาธิอันใดมืดไม่มีความสว่างสมาธินั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิทีนี้ความสว่างของจิตนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่จะทําให้จิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้น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 เมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วลมหายใจก็เป็นกายส่วนหนึง่งร่างกายที่เป็นตัวเป็นตนนี่ก็าหายไปในเมื่อตั ว, ต, วตนโดยสมมติบัญญัติคือกายหายไปแล้วลมหายใจก็หายไปแล้วตัวตวนที่เรียกว่าอัตตาทีปมีตนเป็นของ อาตาสารนามีตนเป็นที่พึ่งคือจิตจะปรากฏเด่นชัดในเมื่อจิตปรากฏเด่นชัดในความรู้ศึกอยู่ภายในจิตอย่างเด่นชัดนั่นแหละคือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาตาหิอาตโนนาตุตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อใครทําจิตให้บรรลุถึงขั้นนี้ก็จะได้รู้สึกในทันทีว่าอัตตาตัวตนที่เป็นที่พึ่งเป็นเกาหรือมีตนเป็นที่เป็นสรณะนั้นจะปรากฏอย่างเด่นชัดและบางครั้งถ้าผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบรู้หน่อย ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าแท้ที่จริงอัตตาตัวตนที่เป็นรูปร่างกายนั้นมันไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริงแต่แท้ที่จริงตัวตนที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยก็คือจิตดวงจิตที่ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นแหละจะเป็นตัวตนเป็นที่พึ่งที่อาศัย และอีกอย่างหนึ่งจะทำให้ผู้ภาวนานั้นรู้จักว่าอะไรคือตัวตนตัวตนที่จะเป็นที่พึ่งแกต่ตนจริงจังนั้นคืออะไรนอกจากจะรู้ว่าตัวตนอันเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างแท้จริงคืออะไรแล้วย่อมจะสามารถรู้ว่าสภาพจิตเดิมแท้นั้นคืออะไร ในขณะที่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นจิตของเราจะรู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดและเรียกว่าเป็นจิต ท, ที่อยู่เหนือความสุขความทุกข์เพราะในขณะที่สภาพจิตเป็นเช่นนั้นสุขก็ไม่ปรากฏทุกข์ก็ไม่ปรากฏเป็นสภาพจิต ท, ที่นิ่งอยู่เฉย ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าสติปัญญาอย่างอื่นจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ตามแต่หากใครสามารถทำจิตให้บรรลุถึงความเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าจะเป็นฐานที่ให้เกิดสติสติสัมปชัญญะซึ่งมันจะเกิดขึ้นออย่างที่เราไม่ไม่รู้สึกตัว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 จิตก็จะมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสติตัวที่จะตามรู้ทันความคิดนั่นนั่นเป็นตัวการที่สำคัญถ้าหากผู้ภาวนาไม่ด่วนพรวดพลาดออกจากการปฏิบัติสมาธิ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 ความรู้เลยความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิปัญญาของจิตจิตอาจจะคิดเรื่องดีก็ได้อาจจะคิดเรื่องชั่วก็ได้แต่สําคัญอยู่ที่ตัวสติที่รู้เท่าทันความคิดอันนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความยึดเมื่อจิตไม่มีความยึดกับความคิดของตัวเอง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 จตไม่หลงยึดถือสิ่งนั้นๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวกิเลสถ้ายินดีก็เป็นกามตัณหาถ้าติดก็เป็นภวะตัณหาถ้าหากว่ายินร้ายก็เป็นวิภวะตัณหาถ้าจิตคิดแล้วมีสภาพปกติมีแต่ความเป็นปกติเป็นหนึ่งไม่ยึดไม่หลง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 ปัญญานี่จะว่ากันตามความเข้าใจโดยทั่วไปปัญญาที่เราใช้สัญญาแล้วมาน้อมนึคิดพิจารณาธรรมะตามที่เราเข้าใจโดยความตั้งใจอันนี้มันเป็นสติปัญญาธรมาธรมดาธรรมดาแต่ถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิ อันนั้นมันเป็นสมาธิปัญญาแต่เราจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาในขั้นจินตามยะปัญญาด้วยโสตะปัญญาที่เกิดจากการคิดในการฟังแล้วก็นำน้อมนำไปพินิษ์พิจารณาตามหลักการเช่นเราจะพิจารณาพระไตรลักษณ์ว่าสิ่งนี้ใ่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนัตตา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 การค้นคิดพิจารณาตามสัญญาที่เราเรียนมาก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปนิทให้เกิดให้จิตเกิดมีสมาธิแต่สมาธิที่เกิดจากบริกรรมภาวนานั้นส่วนมากเมื่อจิตสงบลุงไปแล้วจะไม่ค่อยเกิดความรู้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าปัญญาแต่ถ้าสมาธิ ที่เราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อจิจสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิจะทำให้เกิดมีปัญญาในสมาธิขึ้นมาเพราะอาศัยปัญญาความรู้ในทางที่เราทรงจำมาด้วยสัญญานั้นเป็นคุณธรรมเกื้อกุลอุดหนุนกันไปนี่ข้อสังเกตในการที่เรา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 ก็สุดแท้แต่ผู้ฟังจะเข้าใจแต่สประสบะการณ์บางครั้งที่มันเกิดขึ้นนั้นจิตอยู่ในลักษณะที่สงบนิ่งสว่างมีความสว่างสวยแต่ก็หากมีสิ่งซึ่งผ่านเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึก ข, ของสติอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้น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 จะต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอถ้าสิ่งใดที่ยังมีสมมติบัญญัติอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่ความจริงหรือยังไม่ใช่สัจธรรมเพราะฉะนั้นในหลักฐานบางแห่งปุดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นอันนี้ขอฝากให้สมาคมนี้ นำไปพินิจพิจารณาว่าจะมีความเข้าใจและมีความเห็นอย่างไรสำหรับการกล่าวธรรมะอันเป็นคติเตือนใจของท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติลงด้วยประกาศนี้ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำสมาธิการทำสมาธินั้นขอให้ทุกท่านจงทำความใจเข้าใจว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตส่วนการนั่งก็ดี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 ถ้าการกำหนดจิตหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาในท่าเดินเรียกว่าเดินจงกรมถ้ากำหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในท่ายืนเรียกว่ายืนเรียกว่าเดินอ่าเรียกว่ายืนสมาธิยืนทำสมาธิถ้านอนเสียหายญาติกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณา ก็เรียกว่านอนทำสมาธิการทำสมาธิในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้กิริยาการกาหนดจิตปริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างเดียวกันหมดอันนั้นเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายมีความสบายพอสมควรเท่านั้นเอง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 ณโอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดคำนดจิตทำสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยฝึกหัดชำนิชำนาญมาแล้วจะเป็นแบบใดก็าตามสมาธิแต่ละแบบละแบบนั้น ความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าทาจิตให้เป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วเื่อเป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นนี่หรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมาย เราะนั่นต่อ น, นี้ไปขอทุกทุกท่านจงทำสมาธิและอาตมาผู้พูดก็ดจะทำสมาธิเช่นเดียวกันต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่าอาตอมาภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่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 ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการตอบโดยการเดาคาดกันเองอาจาำไม่จะไม่ขอตอบและจะขอฝากโยนคืนไปให้ท่านผู้ถามได้โปรดพิจรารณาอาเองอาการปฏิบัติกรรมาฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปฐานสูตรเป็นที่ตั้ง นอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหมการปฏิบัติกรรมฐ า, านนั่นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติปัฏฐา น, <c oughs> นน่นสูตรเป็นหลักแต่สําหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านมีมีพร้อมทุกอย่าง โดยเป้าอย่างยิ่งสติบัพพะสัมปชัญญะบัพภะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตรอื่นๆซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมาฐานเหมือนกันในตอนต่อไปการฝึกมโนโมยิทธิเป็นแขนงหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดเพราะการฝึกมีการขอบา ร, รมีขององค์สมเด็จมาสัมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพาน หรือเห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆไอเรื่องเกี่ยวกับโมโนมายตินี่ตามหลักธรรมะท่านก็มีแต่โมโนมิทติที่ฝึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นโมโนมิทธิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั่นอาตมาไม่ขอพินิจไฉแต่การกระ ท, ทําเท่วเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้ว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 สำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะแต่ได้ทราบพระท่านผู้นั้นท่านว่าเป็นมโนมยิธิแต่เรื่องนี้จะเป็นมโนมยิฐิประการใดหรือไม่นั้นอาตมาขอไม่ขอตัดสินเป็นแต่เพียง ว, ว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไปแต่จะด้วยประการใดก็าตามการกระทำทั้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคน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 พอที่จะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะในข้อที่ว่านรกมีสวรรค์มีได้บ้งอีกอย่างหนึ่งคนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรกแอธิสัตว์กําลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใดแค่ไหนเขาอาจจะไปถามว่าทําบาปกรรมอะไรจรึงได้มาตกนรกอย่างนี้ ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทํากรรมอันเป็นบาปความชั่วขึ้นมาก็ได้ผู้ที่ไปเห็นสวรรค์ไปติดในสมบัติของสวรรค์หรือความงามของเทวดาแล้วอยากได้สมบัติอันเป็นสวรรค์ก็อาจจะมาทําบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนผนให้เข้าสู่ศีลธรรมข้าแหนงหนึ่งเหมือนกัน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 สองสามหลังก็จะได้ไปพระนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัญหาแล้วจนกระทั่งจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงกิเลสไม่มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นพูดถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทําบุญมากมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพาน อันนี้เป็นเพียงธานบา ร, รมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบา ร, รมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบา ร, รมีสิบทัศน์ทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานของศาสนาออของพุทธศาสนาหรือศาสนาใดข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธ ข้อที่สองเป็นแนวทางสร้างพ้นทางเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การถึงพระนิพพานไม่สำเร็จได้เพราะการสร้างบูกําหลังเท่านั้นต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเกิดปะหานะละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพาน มีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโรคโลภโทสะโมหะมากจะถึงนิพพานหรืออย่างไรการทำบุญสุนทานแม้จะทำมากมากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผู้ทำไม่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสโรคกิเลสโลภโทสะโมหะ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 ซึ่งมีคุณมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมลํำพังได้เพียงการให้ทานด้วยอามิตรอย่างเดียวไม่สำเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนาสำหรับปัญหาของเจ้าของนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทโธ เป็นบัญญัติไม่ใช่วิปัสนาจริงไหมปัญหาตอนนี้ผู้ภาวนาพุทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ความจริงภาวนาพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถะกรรมฐาน แต่ถ้าผู้ภาวนาพุโทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสจาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมาถะเท่านั้นคือไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเรียกว่าติดสมถะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสนาอันนี้เป็นความจริง ในเมื่อเจตเมสมาธิติดความสุขในสมาธิเจตก็จะถือว่าความสุขเพียงแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการติดสุขเจตก็มาจะไม่ใฝ่ฝันหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปอันนี้ขอตอบว่าถ้าติดแล้วก็จริงถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิ มีความภาคเปลี่ยนจะหาอุบายให้จิตเกิดภูมิปัสสนาก็ไม่จริงข้อสองเดินจงกรมถ้าภาวนาว่าพุทโธบางอาจารย์ว่าเป็นสมพิธะคำตอบก็เหมือนกันกันกบข้อต้นเพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาประกอบการปฏิบัติเป็นวิธีการข้อสาม บางอาจารย์ว่าการภ า, าวนาว่ายกหนอพองหนอไม่มีในพระดหลองพ่อช่วยแก้ข้อข้องใจให้ด้วยอันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการผู้ภาวนาถ้าหากว่าไปยึดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแจ้งกัน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 แต่ที่เรามีการขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการเราะจะนั่นนักภาวนาเพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้นอย่าไปติดวิธีการให้ยึดเอาหลักความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั้นเป็นใหญ่ การภาวนายกหนอพองหนอก็ดีพุโทโธพุโทโธก็ดีเป็นอุบายทาจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมาถะด้วยกันทั้งนั้นกรรมฐานนี่ท่านว่ามีสองอย่างหนึ่งสมาถะกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานสมาถะกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจจดมุ่งหมายเพื่อจะทำจิตให้เกิดมีสมาธิกาจัดนิวฆ่า ไม่ให้มาลบควนในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานตามหลักปริยัติท่านเขียนไว้ชัดว่ากรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนากรรมฐานอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าจิตยังไม่สงบนึกบริกรรมภาวนาเป็นวิธีการเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วเป็น เพราะฉะนั้นยบหนอพองหนอก็อดีพุโทโธพุโทโธก็ดีเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ใช่สมถะหรือวิปัสนาใดๆทั้งนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วนั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสนาเกิดขึ้นส่วนวิปัสนากรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนจิดให้เกิดมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้น แม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิตไปพินิาไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือแม่จะกําหนดอารมณ์เกิดดับกับจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามนั่นเป็นวิธีการแต่เมื่อจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นวิปัสนาจะไม่เกิดเราะฉะนั้นทุกท่านที่ มุ่งที่จะทรราํะททากรรมฐานการทำตามสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมถะสมถะคือสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้าผู้ภาวนาไปติดสมถะติดสุขในสมาธิติดสุขในสมถะจิตก็ไม่ข้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา แต่ถ้าสมาถะคือสมาธิไม่มีวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากวิปัสสนึกเท่านั้นขอได้โปรดทำความเข้าใจอย่างนี้สำหรับการตอบปัญหาของท่านผู้นี้ก็ขอจบลงแค่นี้ปัญหาของท่านผู้นี้ <c oughs> มีว่าอาเทของพระที่มรณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุอาเทของผู้ที่มรณภาพไปแล้ว แล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัฐิของพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทําไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม่จะเก็บไว้ตั้งพัญปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นนอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้น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 เป็นฐานที่รู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีสมรรถภาพจนกลายเป็นมหาสติทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านเพ่งเอาเอาอาการสามสิบสองผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเครื่องลูลของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ในเมื่อกายคืออาการ32สองถูกเพ่งบ่อยเข้าจิตเกิดมีสมาธิแล้วย่อมเกิดนิมิตให้มองเห็นในกายโดยทั่วไปส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูกมีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกายจิตจะมองทะลุา ก, กายออกมามีลักษณะดูเหมือนได้กับแก้วปุ่ม มีความใสเหมือนกับแก้วป่งเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดแท่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆด้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทำให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมรณะาภาพไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้สำหรับทฤษฎีในทางอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนามาประกอบกับการตอบปัญหานี้ได้ แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบพการที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูกลงกระดุกจะรู้สึกว่าโกรงกระดุกนั้นมีความใสเหมือนแก้วเพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเปรียบเทียบก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่ง ดูอาการ32คือร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดและสว่างสวัยไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้วเมื่อท่านมรณภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไหรนะ่นัก แต่สาหรับนักเรียนมนุษยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆอยเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วก็เป่าในขณะที่คนแคกขาหักแขนหักก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมุนหรือพลังจิตทีนี้เจตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ย ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มีประสิทธิทภาพที่สามารถทำให้กระดูกกระแทกขึ้นมาได้การตอบปัญหานี้ก็เห็นว่าเพียงพออ่ะอกปัญหาต่อไปมีว่าโลก่อนอานนทิกษุทิกสุเนยวาสกอุบาสิกาอะไรนี่อยากมาด้วยอยากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคต เจ้าประสูตรในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักจในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนียสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงแ ก, ก่กรรมลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริง ถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปูชันิยสังเวชชนิยสถานแม้ต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานกีก็ดีถ้าหไหว้ด้วยจิตที่มีศรัทธาเขารบเลื่อมใสยอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นมัทธคุณทลีที่กำลังเจ็บป่วยอย่างหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพียงแต่แผ่รัศมีไปต้องจากสุ แล้วก็หันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวแล้วความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นในจิตว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วก็ดับจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์สำหรับปัญหานี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไป <c oughs> ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้น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 ในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในปัญญาตัดสโล ข, ของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดปิฎยอุสาหาในการปฏิบัติ าการปฏิบัติกรรมฐานนี่เมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาจมะมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติกรรมฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่ง มาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติตำเนินตามลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโรตถาคาตาพราตาทาคตเป็นแต่เพียง